ลำดับที่1คติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่107โดยหลวงพ่อยินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดดุ น, นีรนีคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่107ให้คติธรรมว่าทีปะโทโหติจักขุโทผู้ให้แสงสว่าง ได้ชื่อว่าให้ดวงตาคือพวกเราในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้แสงสว่างต่อโลกพระหานทั้งหลายผู้ได้สำเร็จเป็นผู้ให้แสงสว่างกับปุตุชนทั้งหลายปุตุชนทั้งหลายแปลว่าผู้มืดบอด พระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านผู้ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแล้วท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วท่านให้กติธรรมหรือให้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาหรือมมองตามเลื่อเดินตามที่ พระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระหรหัสศากวกหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างยุคปัจจุบันที่พวกเราได้เข้ามาฟังได้มาศึกษาได้มาฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตามหาบัวเป็นต้นหรือองค์อื่นๆที่พวกเรารักเคารพ นับถือเลื่อมใสให้พวกเราศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติตามคำทำตามธรรมคำสอนของท่านเพราะท่านรู้แล้วเห็นแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงมาแนะนำสั่งสอนพวกเราเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราเดินตามแสงสว่างคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะถึงจุดหมายปลายทาง อีกทักวันหนึ่งพวกเราก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมได้ชื่อว่าได้ดวงตาสว่างพอรู้แจ้งเห็นจริงตามแนวแถวพระธรรมคำสอนตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพระหานทาวกที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าว MP 3แผ่นที่ร0 7เจ ให้คติธรรมก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพัะีรัตนะตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเทิน